ขนาดคล้ยอย่างเนี้และยิงอธิษฐานก็ยิงแหละเพราะฉะนั้นจริงสรุปว่าไอเราเองเนี่ยเราเราปลุกเสกตัวเราเองอยู่โดยอัตโนมัตินะฮะให้การคุ้มครองตัวเราเองอยู่โดยอัตโนมัติด้วยอสภาพของปัจฉาจารตาปัจจัยทีนี้อตรงนี้ถ้าอธิบายลงลึกเนี่ยนะครับอธิบายลงลึกก็หมายความว่าอะละกลุ่มรูป ที่เราบริภโภคอาหารเข้าไปแล้วมันก็เกิดความเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาเป็นหน่วยหนวยเป็นกระลาบกระหลาบเนี่นะแล้วก็กรรมาชรูปที่สร้างรูปขึ้นมาเป็นกะลาบกระหลาบที่นี่อายุสิบเจกน่ะจิตสิบเจกนะจิตเนี่ยนี่โดยละเอียดโดยรา ย, ยละเอียดอุตุชลูปที่สร้างรูปขึ้นมาจะร้อนหรือจะเย็นแค่ไหนก็ตามในในขณะนั้นๆทีนี้พอเกิดรูปขึ้นมาแล้วในจิต จิตของเรามันก็เกิดดับของมันต่อๆไปแต่ว่ามันมีกระแสรักษารักษารูปที่เกิดมาก่อนไอ้ที่ต้องใช้คำว่าเกิดมาก่อนเพราะว่าลูกนี่มันมีอายุยืนนะมีอายุยืนเกิดมาก่อนแล้วก็มีอายุหลงเหลือมาถึงขณะจิตไอ้ขณะต่อลูกขณะมาเกิดขึ้นต่อไปไอ้ขณะจิตหลังมันก็อนุรักษ์ไว้ บำรุงไว้เป็นอัตโนมัติและมันจะบำรุงได้อย่างดีแค่ไหนอยู่ที่อคุณภาพของตัวจิตตัวจิตนั้นนั้นเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าอาหารและชืรูปเนี่ยอาหารแลชรูปที่เรากินเข้าไปถ้ า, าเรากินอาหาร เข้าไปที่เป็นอาหารเป็นพิษอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรของคำสูตรอาหารบางอย่างเนี่ยบางคนย่อยไม่ได้หรือไม่เป็นสัปเพยะแค่คนธรรมดาแต่กับพระอาหารหันต์ที่ได้สมาบัติแปดไม่เป็นไรดับพิษได้ให้มันเหลือแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์นะ แล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าอาหารและชีวิตที่เรากินเข้าไปแล้วแล้วก็ในระหว่างนั้นจิตของเราจะมีปกติเป็นกุตระกิตโดยเฉพาะอยู่ในภาวนาเนี่ยมันดับพิษอาหารได้ทําให้ซึ่งปกติเนี่ยอาหารลหลายๆอย่างเรากินแล้วอาจจะกินแล้วมึนกินแล้วปวดกระดูกกินแล้วมีอาการอย่างวย ง, งี้ที่เรียกว่าแพ้อาหารเนี่ยนะฮะกินแล้วคันปกติมันเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเราไม่สามารถจะทําให้มันมีอะไรพิเศษ ไปขวางเงื่อนไกของก ร, รมัมพพอเราไปอยู่ในกรรมฐานเนี่เอะมันมันดับผิดได้เ อ, อันนี้เป็นเรื่องที่ผมผมเจอกระตัว้วมาเองมาอย่างที่เคยเล่าแล้วนะแต่เวลาออกมาข้างนอกเนี่ยเราพลังจิตเราไม่แรงเท่ากับอ่อนที่เราอยู่ในที่หลีกเลี่เพราะฉะนั้นมันก็ยังตกอยู่ใต้อํานาจของอาหารบางอย่างถึงจะแพ้น้อยลงเนี่ย แต่มันก็มีไอ้ส่วนบางอย่างที่แพ้เวลาอยู่ในกรรมฐานแล้วมันไม่แรงอย่างงี้ผมผมยกตัวอย่างว่าไอ้นี่มันก็เวียนกรรมของผมนะ่ะอ่อย่างสมมติว่าผมผมไปกินอย่างพวกหมูเหยียบไก่เนี่ยกลางคืนเนี่ยจะคือมันจะมีอาการปวดเข้าไปถึงกระดูกผมก็ไม่โรคคนไม่โรคเกาแต่ผมไม่ได้ไปโรคเ ก, กาหรอกโรค ก, กรรมกอกอกและทําให้เกิดอาการอ่อนเปลี่ยนอน เท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักอีกง่วงเร็วตื่นสายถ้ามันไม่มีธุระอะไรก็ก็นอนไปไเรื่อยแหละแล้วก็รู้สึกว่าพลังมันเปลี่ยเออผมเนี่ยผมก็นึกถึงไอสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้นะไอประเภทไปตกปลาตกปลาเนี่ยทำให้แปรอาหารเอาอาหารไปล่ออล่อแล้วก็ไปทุบ ป, ปีเขาบ้างหรือ เบ็ดเบ็ดเราไปเกี่ยวคอเขาบ้างเขาเจ็บปวดเวลาไปถึงขนาดไหนเพราะไอ้เข้ามากินเหยื่อล้วอาหารมันเลยเป็นเหยือ่อนะให้เราเจ็บปวดก็มันก็เป็นเวรกรรมก็จะน้า ม, มาได้เยอะนะแต่เนี่ยถ้าอยู่ในกรรมฐานแล้วสู้ได้แต่ออกข้างนอกแล้วก็ข้อจํากัดมันลดลงแล้วมันมั น, มนไม่เงื่อนไขมันรุนแรงขึ้นที่เป็นเวรกรรมแล้วก็ เป็นข้อชี้ชัดในเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนก็ดีจิตมันก็มีส่วนช่วยอุปสารรมช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าได้บ้างอาผมก็เลยพูดอ่มาถึงตรงนี้แล้วก็ก็จะหยุดไว้ตรงนี้นะฮะสําหรับในช่วงแรกนี้ได้สองปัจจัยแต่ในช่วงหลังจะพูดถึงปัใจจัยในส่วนอื่นคืออาเซวนะปัจจัยโดยลําดับต่อไปเราพักกันสักครู่นะครับทานานว่างเดี๋ยวพบกันม่ท่านสาธุชนที่เคารพ ปัจจัยที่จะอธิบายสืกลำดับต่อไปเป็นปัจจัยที่1ิบสองมีชื่อว่าอาเสวนะปัจจัยอาเสวนะปัจจัยนี้รู้สึกว่าคำแปลจะไม่มีนะฮะก็เติมไปก็ได้นะครับปัจจัยคือความเสษเนื่องหรือความ เสพเนื่องเป็นปัจจัยหรือแปลว่าทําที่มีความเสพเนื่องเป็นปัจจัยที่เป็นคําแปลของอาเสวนาปัจจัยคําว่าอาเสวนะในภาษาบาลีนั้นก็แปลว่าสร้างเสพนั่นก็ได้เช่นอาเสวนาจะถ้าเป็นอาเสวนาจะภานลานังเนี่ยแปลว่าอย่าเสพคนผ่านในคําว่าเสพเฉย เสวนาเฉยๆหรืออาเสวนาไม่ใช่อวสิปเป็นไวัยพ์ที่ใช้แทนกันได้และคําว่าเสพในที่ใช้ในคมพีทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเป็นสามกรณีนะคือกรณีที่หนึ่งหมายถึงการเสพซ่องบุคคลเสพที่พูดถึงกรณีของการเสพซ่องบุคคลนั้นแปลว่าคบคบคาสมาคมเรียกว่าเสพอย่างเช่นเสพ บ, บัณฑิตเสพคนผ่าน อีกอย่างหนึ่งคือเสพปัจจัยเสพปัจจัยที่ใช้ในภาษาในเชิงวินัยหรือในเชิง เ, เบื้องต้นของการปฏิบัติพระธรรมฐาน เ, าเช่นการพิจารณาเสพพิจารณาเสก่อนจึงเสพบิณฑบาตพิจารณาเสือก่อนจึงเสพตรายจีวรพิจารณาว่าอย่างไรนะมีบทอธิบายในทางปฏิบัติอยู่นั่นก็เรียกว่าเสพเช่นเดียวกัน และอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการเสพอารมณ์เสพอารมณ์คือข้อที่จิตรับรู้อารมณ์ถึงจุดสมบูรณ์ของการรู้เรียกว่าเสพอารมณ์เสพอารมณ์เอาความว่าเสพรสของอารมณ์เพราะว่าในขณะที่จิตรับอารมณ์เนี่ยก็จะมีขั้นตอน อย่างหลักๆเนี่ยก็มีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเป็นระยะของการเหมือนแก้ห่ออาหารนะฮะแก้ห่ออาหารจัดหาช้อนหาชามเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เปิบอาหารเข้าปากเคี้ยวในขณะที่เปิบอาหารเข้าปากเคี้ยวเนี่ยเรียกว่าเสพอาหารแล้วตอนแก้ห่อเนี่ยยังไม่เรียกว่าเสพเราอาจจะพูดเป็นรวมว่า ยกำลังแะกินอาหารแต่ยังไม่ถึงจุดกินจริงๆนะเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่จิตซึ่งมีลักษณะของการรับรู้อารมณ์เนี่ยก็คือรับรู้ในช่วงที่หนึ่งกระบวนการช่วงที่หนึ่งนั้นยังไม่ถึงจุดบริโภครถของอารมณ์เรียกว่ายังไม่ถึงจุดอาเสวนะอารมณ์นั้น อ, อีกจุดหนึ่งคือถึงจุดบริโภคอารมณ์ เรียกว่าเป็นจุดอาเสวนาต่ออารมณ์นั้นไอจุดนั้นนะครับที่อยู่ในเงื่อนไขของอาเสวนาปัตถาจะให้เขียนเป็นรูปสมมุติก่อนอย่างคราวที่แล้วเขียนนะครับก็เขียนเป็นรูป ของสะพานคือไอ้จุดจุดขึ้นแล้วก็จุดลงแล้วก็จุดจุดสูงสุดไอ้จุดสูงสุดเนี่ยคือจุดเสพหรือที่เราเรียกว่าชาวันะแต่เขียนเป็นรูปพิถีจิตออกมาเ ป, เป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะนี่นะครับก็จะมีขณะที่เป็นขณะช่วงต้นสําหรับคนที่พอจะได้ยินได้ฟังอยู่บ้างแล้วนะครับในที่นี้ไม่สามารถจะอธิบายาได้อีกคือมีอตีตาภวังผวังขจรณนะ พวังกุปัจเจธะปัญจทวาราวจนะสัมปติฉันนะันติละณนะโวฒปณนะชาวณนะชาวณนะขณะที่หนึ่งถึงขณะที่7แล้วก็ตาธาลนะัมณะขณะที่หนึ่งขณะที่2 อ, อการแบ่งจิตออกเป็นสามช่วง เ, เพื่อจะชี้ให้เห็นตำแหน่งของอาเซวนะปัจจัยเราดูในในในส่วนบนที่เคยเขียนแล้วเนี่ยนะครับเป็นแบบคร่าวๆว่าเวลาจิต รับอารมณ์เนี่ยจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยมันก็มาเข้าแถวกันนะเหมือนเข้าแถวทํางานร่วมกันคือการรับอารมณ์รับรู้อารมณ์แต่ว่าจิตที่มาเข้าแถวรับรู้อารมณ์เนี่ยมันมันรู้ไม่เท่ากันรู้ไม่เท่ากันและได้รสชาติในอารมณ์มันก็ไม่เท่ากันและเมื่อได้รสชาติในอารมณ์ไม่เท่ากันพลังของจิตที่เกิดเพราะการรู้ผลได้ที่เกิดเพราะการรู้อารมณ์นั้นก็ไม่เท่ากัน มันก็จะมีขั้นของวิถีจิตเนี่ยแบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงต้นคือช่วงแกะห่ออารมณ์นะฮะแล้วก็ช่วงที่สองถือว่านช่วงได้สวยลดของอารมณ์เรียกว่าชาวนะพี่ถือเป็นช่วงที่มีพลังมากที่สุดคือช่วงตรงกลางนี้แล้วก็ช่วงหลังคือช่วงลงที่เรียกว่าตาทานมนะคือกำลังแคบปล่อยอารมณ์ ปล่อยไปไหนก็ปล่อยเข้าไปสู่ความหลับพวังขจิตเป็นการหลับขั้นชั่วคราวตลอดเวลาในการรับรัวลมในแต่ล ะ, ล ะ, ละวงจรวงรอบเนี่ยนี่พอออกมาเป็นลูกขหน้าตาวิธิกิตเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยมันมีนกลไกการํำงานกันเยอะตีตาพวังพวังขจนะผวังกุปัดเยธะปัญจทวาราชนะสัมปติชนะสันตินะและวอวนาะที่เหมือนเป็นตัวตัดสิน ตัวกำหนอดอารมณ์ว่ามันคือสิ่งที่เราควรจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรมีรสชาติว่าอย่างไรนี่นะนี่เป็นช่วงช่วงแรกเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วง เ, เราจะเรียกว่าเป็นช่วงใช้กรรมเก่าก็ได้กรรมวัดเป็นช่วงทุนต้นทุนนะกรรมวัด เพราะว่าไอ้พวกจิตที่มาทำงานกันในช่วงแรกเนี่ยมักจะเป็นวิบากจิตอย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยนะตาเห็นรูปเนี่ยก็เกิดตรงช่วงแรกหูได้ยินเสียงก็เกิดตรงช่วงแรกก็หมายความว่าการรับอารมณ์ในช่วงแรกเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมเก่าในขั้นรายละเอียดซึ่งหลักของกรรมที่พูดโดยทั่วไปไม่เจาะลึกลงไปถึงขนาดนี้ ว่าเวลาเราเห็นรูปครั้งหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปไม่ดีนั่นเป็นการสวยวิบากข้างฝ่ายบาปจะมากจะน้อยจะเรายอมรับหรือไม่ยอมรับคิดว่าอย่างไรหรือไม่ก็เป็นการสวยวิบากแล้วยุงกัดครั้งหนึ่งก็เป็นอคตินิบาศทางกายนะเห็นอะไรไม่ดีทั้งนิดเดียวก็เป็นวิบากทางตา นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งทันทีน้ำหนักมันต่างกันในในสิ่งที่เห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงของวิบากดีหรือไม่ดีเพราะตัดสินอารมณ์นั้นแล้วอตัดสินเนี่ยมก็เกี่ยวกับทัศนะเก่าที่สั่งสมไว้ต่ออารมณ์นั้นอย่างไรมันเป็นอีกกระแสหนึง่งไอ้กรรมเนี่ยมันกําหนดแน่มาแต่ว่าไอ้ทัศนะที่เราสั่งสมไว้ต่ออารมณ์นั้นว่ายอย่างไรเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางอุปนิสัย นะฮะเาหมายความว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยพลังทางอุปนิสัยทัศนคติต่ออารมณ์ต่อเรื่องที่เรารับทราบนั้นเราได้สะสมไว้เป็นส่วนหนึ่งมาทํางานตรงตรงวัฏวนาเนี่ยมันก็แฝงพลังมาเรื่อยๆแหละแต่มาสำแดงทางวัฏวนานี่เป็นตัวกําหนดค่าทางทัศนคติส่วนช่วงหน้าก่อนนั้นจะเป็นช่วงของวิบาก ดั่มดีชั่วนั้นอยู่ในตัวของมันเองทีนี้ดีหรือชั่วเนี่ยบางทีเรามีทัศนคติมันไม่ไม่ถูกฝาถูกตัวบางอย่างเนี่ยเป็นอกุศลนิบาศแต่เรามีทัศนคติว่าดีว่าชอบบางอย่างเป็นกุศลนิบาศเรามีทัศนคติว่าไม่ดีไม่ชอบยกตัวอย่างว่าเห็นชายผ้าเหลืองพระเนี่ย เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก่างตาจะตอบเกรงใจพระบ้างไหมก็ท่านก็อาจจะบอกไม่ได้เกรงใจพระแต่เกรงใจหลักการแต่เมื่อเกรงใจหลักการก็ต้องตอบถูกใจพระแหละว่าเป็นกุศลวิบาก่างตาได้ยินพระสวดมนต์เป็นกุศลวิบาก่างตาแต่ถามว่าคนที่เห็นผ้าเหลืองพระคนที่ได้ยินพระสวดมนต์หรือคนพูดธรรมะ ทัศนคติจะต้องดีไปตามเนื้อหาไหมไม่จำเป็นต้องดีเร่งคนดีคนไม่ชอบก็มีเยอะแยะไปครับนั้นไอตัวทัศนคติที่สั่งสมไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวสําแดงพฤติกรรมต่อค่าของกรรมให้ผิดหรือถูกดังนั้นในทางพุทธศาสนาตูวเจ้าทุงสอนให้คนเนี่ยสร้าง คำว่าสร้างสร้างบา ร, รมีเนี่ยนะมันจะมีความหมายเป็นสองอย่างหนึ่งสร้างกุศลกุศ ล, ลกรรมสองสร้างอุปนิสัยให้มันเข้าคู่กันถึงจะเป็นสร้างบา ร, รมีเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ถ้าทำแต่บุญแล้วไม่สร้างอุปนิสัยโอกาสที่จะเสียคนเพราะกุศลวิบากก็มีและ ถ้าคนสร้างอุปนิสัยแม้ว่าอากุศลเข้ามาให้ผลอุปนิสัยก็จะเข้าไปคุ้มครองทําให้คนนั้นสามารถจะแก้ตัวได้ตั้งหลักใจเอาเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตต่างๆได้มีพลังส่วนการบริหารกรรมเนี่ยเข้ามาคกบคูมดูแลนี่เพราะนั้นอันนี้เป็นช่วงของของเก่าเมง่าดี๋วนี้เป็นช่วงของเก่า ในช่วงนี้นะ่ะเราไม่อาจจะเติมอะไรใหม่เข้าไปได้เป็นช่วงของเก่านะช่วงของเก่าแล้วมันโดยช่องจิตเราเติมอะไรใหม่ไม่ได้มันเหมือนกับอย่างนี้ครับเวลาที่เราเร า, เรานอนหลับเนี่ยขณะจิตหลับเนี่ยเราไม่อาจที่จะเติมอะไรลงไปในขณะหลับได้เอาหลับจริงๆนะอย่าไปเอาบทอธิบายของพระหลงกหลังที่พูดแล้วมันมีเงื่อนไขที่ธรรมะเขาไม่ได้อธิบายอย่างนั้น อามาปนกันแล้วกันใช่ไหมฮะขณะนอนหลับเนี่ยเติมอะไรลงไปไปอีกไม่ได้แล้วมแีแต่เรื่องเก่าๆตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมทีนี้พอจิตอาศัยวิบากเนี่ยเป็นทุนทั้งหมดวิบากเป็นเพุเป็นฐานของกรรมไอ้วิบากก็มาจากกรรมใช่มะพอกรรมแล้วก็เป็นฐานของกรรมใหม่วิบากแล้วเป็นฐานกรรมใหม่ชทวนะเกิด ชาววนานี่ถือว่าของใหม่ได้วล่ะครับเป็นบทบาทของเหตุปัจจัยกระแสใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่ผมเคยใช้คําว่าเป็นประตูของจิตคนหลับในจิตปิดประตูให้ทานก็ไม่ได้ด่าใครก็ไม่ได้โกหกก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้ดีใจก็ไม่ได้ขนาดนั้นบรรลุมรรคผลขนาดหลับก็ไม่ได้ มีประวัติปลาองค์ไหนบางทีบรรลุมาห่วงขนาดละตื่นขึ้นมาเอาเป็นอรหันไปแล้วแหมโรงแรมไหนจะขอไปนอนด้วยคนตื่นขึ้นมาจะได้เป็นอรหันได้ชงได้ชาญไปเลยมันไม่มีนะแต่ว่าไอ้ตื่นขึ้นมาแล้วได้วิบากใหม่อย่างนิ่งเป็นไปได้นะตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะล ด, ดมาเกิดอย่างนั้นถือเป็นวิบากเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เหมือนปวดหัวนอนหลับตื่นมาแล้วหายปวดหัวก็พ้นจากวิบากปวดหัวอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นได้แค่นี้ว่า ไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเศษเพราะนั้นคำว่าเศษเนี่ยเราลองคิดดูว่าคืออะไรของในทางความหมายหลวงก็คือการการดูดซับเอาประโยชน์หรือโทษจากสิ่งอื่นที่เป็นของเฉพาะหน้าเช่นว่าเราเศษคนเนี่ยคบคนเนี่ยจุดที่มันเป็นจุดดูดดูดซับ ลักษณะของมิตรทั้งปามิตรหรือกัลยาณมิตรมาเข้าสู่ตัวเราเนี่ยมันเข้าทางไหนเข้าทางเจาวนะลราเสพปัจจัยสี่อ่าว่าปัจจัยสี่เสพปิจารณาเสพกินอาหารแล้วจะได้สติหรือได้บรรลุธรรมเพราะการบริโภคอาหารอ่าก็มีหมวดทำมีข้อปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับอาหารอยู่ าการอาศัยปัจจัยพิจารณาเสพแล้วก็ได้รสชาติของการเสพได้ประโยชน์จากการเสพเนี่ยคือได้ตรงชาวนะอิทธิพลของปัจจัยสีที่เราเสพทําให้เราเมัวเมาชอบไม่ชอบก็ตรงชาวนะเสพอย่างโ ง, ง่เสพอย่างฉลาดก็ตรงชาวนะเพรา ะ, ะนั้นโดยจิตเนี่ยนะคือตรงนี้เสพนี้ผมมาถามว่าขณะที่คนนอนหลับเอาตรงนี้ก่อน คนนอนหลับเนี่ยเสพอาหารได้ไหมถึงกลืนเองไม่ได้เราเอารดอาหารอร่อยไปหยอใส่ลิ้นเสพได้ไหมไม่ไม่ได้ใช่ไหมและยาก็ไม่ได้แล้วถ้าถามมาแล้วนุ่งห่มได้ไหมนอนเออ่บนเสน า, านะเสพเสน า, านะได้ไหมเราก็อาจจะมองขนเหมือนเสพได้นะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การเสพในความหมายทางจิตเราลองคิดด้วยง่ายว่าศพศพหนึ่งที่เขาผูกในกไคลใส่เสื้อนอกศพนั้นชื่อว่าเสพอา่าไตรทีวอนในภาษาพละอย่าเถียงมันไม่ใช่ไตรทีวอนมันในคล้ายมันเสื้อนอกผู้ภาษาพละเรียกไตรวอนไม่ใช่ใช่ไหมเอาศพนั้นไปไว้ในวงซุย หรือไว้ในบ้านหลังใดศพนั้นชื่อว่าเสพไหมไม่ชื่อว่าเสพเพราะฉะนั้นการเสพในความหมายของทางพระเนี่ยท่านหมายเอาการที่มีจิตเข้าไปรับรู้ด้วยจึงจะเรียกว่าเสพไม่งั้นตุกกตนต๊ ก, กตาตุ๊กตาเราเอานูน่นเอานี่ไปใส่มันยังมันก็เสพสิใช่ไหมละและแม้บางบางอย่างที่มันมีความรับรู้ได้ถ้าความรู้มันไม่เข้ามาถึงจุดบางจุดเนี่ยก็เรียกว่าไม่เรียกว่าเสพเช่นว่า เราไปสถาปนาสุนัขตัวหนึ่งให้มันเป็นในผลตรีค่อว่ามันเศษยศัหมมันไม่รู้เลยไอคนรู้คือคนเลี้ยงมันแหละครับใช่ไหมเคยมีความรู้เรื่องคนเลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขในราชการไหมเพราะในยศที่หมาได้เนี่ยผลไปตกที่คนเลี้ยงถ้ายศหมาสูงคนเลี้ยงก็ได้ค่าต่อแทนพอสบายนะนี่คือคนได้ประโยชน์ เพราะนั่นคนที่อยากจะให้หมาได้ยศสูงเนี่ยผู้ที่อยากให้หมาได้ยศสูงไม่ใช่ตัวหมาเองคนนะอันนี้คือเรื่องของการเสดมนั่งคนหนึ่งมันมันนั่งอยู่ในที่พระเจ้าแสดงธรรมแน่นอนหลับไม่ได้เสดธรรมเพราะจิตของเขาหลับหรือขึ้นมาไม่ถึงชาวนะนะนั้นตัวนี้นะจึงเป็นตัวประตูของจิตและจุดที่ ที่เราควรระวังในคติของทางศาสนาเนี่ยที่ว่าจุดปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัติที่อารมณ์เป็นสาระสําคัญนะว่าเอ๊นี่เสียงไม่ดีอย่าฟังอะละถึงแม้ว่าจะว่าบางแห่งเนี่ให้ให้ระวังว่าอย่าคบคุพาในตะไรเงี้ยนะอันนั้นเขาหมายความว่าความหมายเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยนะฮะคืออธิบายแล้วก็ยาไปอีกหน่อยนะความหมายเอาตรงว่า การที่สอนมาให้เราครบคนผ่านหรือเลือกเสพอารมณ์เนี่ยได้เหตุผลสองประการประการหนึ่งก็คือว่าเพราะอาจารย์หรือเราเองรู้ว่าเราเสพอารมณ์นี้แล้วพอไปถึงชาวนาแล้วมักจะเป็นจุดเสียเราก็ตัดไฟแต่ต้นลมเสียนะทีนี้ท้าพูดนะว่าในจุดที่ที่ดีที่สุดที่เป็นจุดปฏิบัติก็คือ เมื่อใดเราสามารถที่จะสู้อารมณ์นั้นได้เหมือนกับอารมณ์อื่นที่เราสู้ได้เราก็ปล่อยอารมณ์นั้นให้เข้ามาได้ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราคุมชาวนะได้หมายก็เราคุมชาวนะได้เราก็ไม่กลัวใช่ไหมครับดูนี้เราก็อาจจะกล้าไปเชิญในแต่ไรได้มากขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ถ้าใครมาพูดเป็นเป็ น, ปนไปตายเราก็สู้ไม่ได้เข้าวัดแล้วมางคลยังระแวงเลยครับ เป็นเรื่องรางเดนี้เราก็สู้ได้หรืออะไรอีกหลายอย่างที่ใครกเขามีแล้วก็สู้ได้คนไม่ดีเราก็ก็สู้ได้มากขึ้นเอตการณ์ไม่ดีเราก็สู้ได้มากขึ้นนี่แปลว่าเราคุมชาวนะได้เราจึงสามารถปล่อยอิสระการรับรู้ของอบทบาทของไอ้ส่วนเก่าเนี่ยครับคืออผู้สนิบาของส่วนนิบาได้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดเสพเรียกอาเซวนะทีนี้เวลาเสพเนี่ยความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นจากชควนะเชาวันะที่ว่าเป็นจุดเสพนั้นมันทำให้ได้อะไรขึ้นมาของใหม่ที่ว่าได้มันชักนำอะไรเข้ามาสู่ตัวเราก็ตอบว่าโดยอย่างยอที่สุดอย่างสำคัญที่สุดคือสองอย่างได้แก่หนึ่งกุศ ล, ลกรรมอากุศ ล, ลกรรมเข้ามาทางนี้สองคืออุปนิสัยใจขอ ความถนัดจัดเจนเข้ามาทางนี้เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามอุปนิสัยใจคอเกิดขึ้นด้วยเสมอนะแล้วเวลาเราปล่อยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยซึ่งไอ้จริงๆิถึงเราจะไม่ได้เรียนวิธีทำแล้วไม่รู้ว่าไอ้ทำอะไรหรือทำดีทำชั่วมันอยู่ตรงเทวนะเนี่ยแต่เราก็ความประสงค์ของเราเนี่ยมันก็เข้าไปสู่จุดนี้นั่นเองใช่ไห ม, มว่าเราจะทำอะไรจะเรียนอะไร จะคิดอะไรจะพยายามอย่างไรเนี่ยก็คือการที่เรามุ่งถึงชาววันะทีนี้ไอ้ความต้องการอย่างไรถามว่าโดยธรรมดาเนี่ยเมื่อทําอะไรคิดอะไรทางกายวาจาใจโดยสภาวะตามคือชาววันะเราต้องการใดใจาชาววันะจากการให้ชววันะเกิดเพื่อกระทาการใดๆเนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรสองอย่างในระหว่างสองอย่างนี้นี่พูดถึงทางโลกโลกทั่วไป เขาต้องการความถนัดจัดเจนชนิดอย่างที่เขาต้องการใช่ไหมเช่นคนหัดทําอะไรสัก อ, อย่างหรือจะไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือการทําการทํางานต้องการความถนัดจัดเจนเรียนหนังสือก็หมายถึงความถนัดจัดเจนนั่นเองไม่มีใครคิดว่าต้องการบุญใช่ไหมไม่คิดในเชิงบุญทีนี้ถ้าหากว่าคนเข้ามาทางาศาสนาเราก็คิดในทางบุญ บางทีก็คิดถ้าจนกระทั่งลืมความที่เรากลรจะต้องการในทางความถนัดจัดเจนที่เกี่ยวกับบุญเข้าใจไหมว่าเออเราเข้ามาทางนี้นะเราต้องสร้างสงความถนัดจัดเจนเพื่อเอาอุปนิสัยไว้ด้วยอย่าเอาแต่บุญถ้าเอาแต่บุญนี่ก็หมายความว่าทำบุญแล้วเอาแต่บุญแล้วลืมลืมคุณค่าของจริยธรรมหรือความมีอุปนิสัยในทางที่ดี ในทางที่หน้าต้องการอีกหลายหลาอย่าง่งเราลืมไปไม่ได้คิดในแง่นี้ในในสิ่งที่ควรคิดคนต้องการต้องการสองอย่างและในบางสถานการณ์เนี่ยต้องเอาความถนัดแจ้เกณฑ์ออกหน้าในทางบุญนะผมยกตัวยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้คบคนให้คบบัณฑิตเนี่ยท่านให้เราต้องการอะไรจากบัณฑิตเป็นอันดับที่หนึ่งอุปนิสัยไม่ใช่มาคบเอาบุญ มาไหว้พระเอาบุญก็มีเหมือนกันนะไหว้พระเอาบุญแต่ไหว้พระเอาบุญก็ไปไหว้พระพุทธโลกวัดไหนก็ได้ไหว้เอาบุญไม่ได้อุปนิสัยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไปไหว้พระเอาบุญด้วยแล้วเอาอุปนิสัยด้วยก็ได้ทั้งสองอย่างถามว่ามาเรียนธรรมะในเรียนเอาอะไรเป็นอันดับที่หนึ่งเอาอุปนิสัยปัญญาหลวงพ่อบป็นอุปนิสัยอนะเป็นอันดับที่หนึ่งถามว่าบุญเอาไหมเอาเหมือนกัน แต่บางคนบอกฉันเรียนฉันมาเรียนเอาบุญอย่างเดียวหมวายความว่าไงไม่รู้เรื่องไงเรียนเอาบุญฟังเอาบุญก็ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ ย, งยังยังดีนะฮะยังอุ u s าห์สร้างมุมสัมพันธ์มุมใดมุมหนึ่งก็เรียนไปเรียนมาพอไม่มีผลปฎิสัยกับวันใดวันหนึ่งก็หมดบุญอีกบุญก็คงจะมากันไม่หวัดไหวนั้นการปฏิบัติวิปัสสนามก็ได้ทั้งสองอย่าง เอาบุญเอาอุปุณิสัยนะแต่อุปุณิสัยนี่ในทางพนาท่านถือว่าเป็นเป้าหมายที่ควรต้องการเบีนดับหนึ่งในพุทธประสงค์นะบุญเป็นตัวหลังและพอทำถึงจุดดีที่สุดเนี่ยปฏิเสธที่จะเอาบุญเลยครับสภาวะธรรมมันปฏิเสธเองเรียกว่าอยู่เหนือบุญไงอยู่เหนือบุญบาปไม่ต้องเวียนไวไ่ายใจเกิดตัดวิบากได้แม่กุศลวิบากก็แมวหลุดพ้นเทกิเลตไปนั่นเป็นขั้นสูงสุด ที่พูดอย่างนี้แล้วบางคนยังรู้สึกว่าไม่ต้องการใปขนาดนั้นในขณะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเอาละครนี้พูดถึงว่าไอ้ชาวนะเวลามันเสพอารมณ์เนี่ยมันมีกี่ ข, ขณะเจ็ดขณะชาวนะอย่างเราๆถ้าเป็นคนทาฌานทาสมาธิทาสมาบัตชาวนะนั้นเกิดได้เป็นวันๆเพราะฉะนั้นชาวนะที่เกิด โดยธรรมดาเนี่ยนะฮะอะเราไม่พูดถึงโลกุตตะชาวนะอชาวนะที่เกิดอย่างธรรมดาเนี่ยเรามานึกดูง่ายว่าชาวนะมีเจ็ดชาวนะไหนอ่อนแอที่สุดชาวนะมันจะมีชาวนะอ่อนกับชาวนะที่ถือว่าดีที่สุดช่วงดีที่สุดช่วงแรกกับช่วงหลังนี่ถือว่ากําลังอ่อนคือช่วงดวงที่หนึ่งนี่ถือว่า อ่อนยาวช่วงหลังนี่อ่อนแกอ่อนแกอ่อนเพราะแกะชราจิตมันถึงจุดอ่อนกาลังแล้วก็เลยทำให้เวลามันส่งผลเนี่ยครับส่งผลได้ไม่เหนียวแน่นผลในทางกรรมนะพลังในทางกรรมไม่เหนียวแน่นชาวนาดูที่หนึ่งให้ผลได้เฉพาะใน ชาตินี้เท่านั้นชาวนะดวงที่เจ็ดให้ผลได้เฉพาะในชาติหน้าเท่านั้นพ้นจากชาตินี้พ้นจากชาติหน้าชาวนะดวงหนึ่งกับดวงเจ็ดเป็นอาโหสิกรรมหมดโอกาสกันนี่คือกความสูญเปล่าทางกรรมครับเนี่ยผมเชียเห็นว่าไอ้าวนะดวงที่หนึ่งดวงที่เจ็ดเนี่ย มันเราไม่ใช่มีแค่สองดวงวิธีในวิธีเดียวเรามีต้องเป็นมากมายหลายวิถีนะถ้าคนชาตินี้ไปแล้วเป็นโหสีคือศูนย์เปล่าครับเป็นกรรมที่ศูนย์เปล่าเสียดายไหมล่ะเสียดายข้าตัดข้าเอาไว้เสียดายไหมที่อกุศลกรรมไม่เสียดายนะเราเสียดายแต่เฉพาะกุศลกรรมชาติหน้า คนไปแล้วก็กลายเป็นโหสูญเปล่ากรรมเราเนี่ยสูญเปล่าไปเยอะนะบุญและบาปที่เราทําเนี่ยทําแล้วติดขัดเงื่อนไขกรรมมีกําลังอ่อนเงื่อนไขเมื่อเยอะเป็นธรรมดาก็สูญเปล่าไปเยอะแล้วยังว่าใครไปฆ่าเัาฆ่าเขาตายแล้วรีบค่าชิงค่าตัวตายก่อนติดคุกก็ไม่ต้องติดคุกอย่างเนี้กยกรรมดวงชาวนะดวงที่หนึ่งก็ไม่ให้ผล ถ้าใครทําไปฆ่าเขาตายตั้งแต่อายุยี่สิบฆ่าเขาตายสามคนและเกิดเป็นคนอายุยืนขึ้นมาชาวนาดวที่หนึ่งก็ยิ้มยิ้มหมายความว่ามีโอกาสที่จะให้ผลได้มากขึ้นบุญก็เหมือนกันก็นี้ชาวนาช่วงกลางสองถึงหกนั้นมีพลังเหนียวแน่นดีที่สุด สามารถให้ผลได้ไปจนกว่าเราจะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานทีนี้มาพูดถึงไอ้ความเป็นอาเสวนะปัจจัยนยอธิบายว่ายัางไง เ, เราลองคิดดูว่าไอ้ความเป็นบุญเป็นบาปของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตรงชาวนะอย่างที่ว่าและชาวนะแต่ละตัวเนี่ยมันจะส่งทอด ส่งทอดอารทาบุญทมบาป ก, กันเป็นลำดับลำดับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จให้เกิดผลเกิดพลังมากขึ้นนลยนะอันนี้ผมพูดถึงชาวนะแล้วนะในเจ็ดเนี่ยเกียรจะไม่ครบเจ็ดรวงที่หนึ่งเสพเกิดกรรมได้อุบานิสัยแล้วทายทอด คล้ายๆว่าส่งพลังส่วนที่ตัวเองมีอยู่ส่วนหนึงเนี่ยไปให้กับขนาดที่สองขนาดที่สองก็ได้พลังจากดวงแรกแล้วตัวเองก็สร้างพลังเพิ่มในส่วนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไปให้ดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่ห้าดวงที่หกตามลำดับอย่างนี้อาการที่ชาวนะแต่ละดวงสืบต่อสืบทอดกิจ คือการเสร็จอารมณ์ให้สำเร็จเป็นกรรมเป็นอุบุณิสัยไปถึงกันถึงกันถึงกันถึงกันเนี่ยเรียกว่าอาเสวนะันะปัจใจนะฮะอันนี้ก็มาพูดถึงว่าพูดให้ให้ชัดว่าเราครบบัณฑิตคนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าให้ชัดหน่อยก็อย่างเช่น คบค้าสมาคมกับบริษัทพาะสารีเป็นอารมณะปัจจัยเท่านั้นนะนี่กาลังแยกละเอียดนะเป็นอารมณปัจจัยแก่จิตคือชาวนาจิตนี้เท่านั้นฐานะของบัณฑิตคือพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอารมณะปัจจัยแก่ชาวนาจิต พระษาลีบุตรไม่ได้เป็นอาเสวนาปัจจัยในในความหมายตรงนี้เป็นอารามนาปัจจัยแก่ชาวนาจิตชาวนาจิตรับรู้กระทําพระษาลีบุตรให้เป็นอารมณ์ตัวเองชื่อว่าเสพอารมณ์เสพคือเสพอารมณ์นั้น พอเสพอารมณ์แล้วตัวเองมีพลังทางการเสพก็ถ่ายทอดอพลังทางการเสพคุณเสพเนื่องเนี่ยมาให้ชาวนะดวงอื่นดวงอื่นดวงอื่ น, นสืบต่อไปก็เลยได้ความว่าความเป็นจิตเสพตัวเองเป็นผู้เสพ ภาษาลีบตรเป็นอารมณ์รับภาษาลีบุตรเป็นอารมณ์แล้วเกิดคุณสมบัติทางเสพแล้วก็เกิดพลังทางเสพคนติดบุหรี่เนี่ยใครใครเป็นผู้เสพใครเป็นผู้เสพติดคนใช่ไหบุหรี่เป็นอารมณ์ให้คนนั้นเสพติดและพลังทางเสพเนี่ย มันอยู่ที่คนแลือยู่ที่มวลบุหรี่มวลต่อไปอยู่ที่ตัวคนเป็นพลังทางเพอเกิดพลังทางเศษมันก็ไปหาบุหรี่อื่นมาเป็นอารมณ์เพิ่มพลังทางเศษในพลังทางเศษคือแม้ว่าบางทีไม่มี อ, อารมณ์อยู่มันก็งูนงานอยากจะหาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์นี่เป็นพลังที่มันสืบเนื่องกันเพราะนั้นอาเสวนาะพั ปัจจัยคือพลังทางเสพในอยู่ในบัณฑิตนั้นเป็นเพียงอารมณ์ให้ครับนี่คืออาเสวนาปัจจัยที่มีความหมายในทางหลักอย่างสั้นแต่ว่าอธิบายในทางปฏิบัติยกกรณีต่างๆนั้นมีมากในชั้นนี้พูดเท่านี้ทีนี้มาพูดอีกหน่อยหนึ่งว่าในนี้เขาแบ่งไว้ในนี้คือในอบทความ แปลเก็บเนื้อความในจากวาบรีนี่นะกุศลชาวน ะ, ะนี่เราเอาทั้งทั้งจิตทั้งเจตสิกด้วยนะครับเพราะในชาวนะนี่มีเจตสิกด้วยเจตสิกอะไรยังไงเนี่ยนั่นคือไอ้ผลสาเร็จที่ปรากฏในจิตที่เป็นตัวเศษนั้นในขณะก่อนเป็นปัจจัยเศษเนื่องแก่กุศลชาวนะ ในขณะหลังคือเสพครั้งที่หนึ่งเป็นปัจจัยแก่เสพครั้งที่สองเสพครั้งที่สองก็ได้แก่ครั้งที่หนึ่งด้วยตัวเองได้ถึงตัวเองส่วนหนึ่งด้วยเป็นปัจจัยแก่ครั้งที่สามและผลอันเนี้ยจากไอ้พื้นฐานตรงนี้มันทำให้เกิดพลังอื่นเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกกระแสหนึ่งของปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่สี่จะจริงๆก็พูดแล้วได้แก่ อุปนิสัยปัจจัยที่มันเรียกว่ามันเป็นไอ้ผลสรุปของอาเสวนะปัจจัยอย่างรวบยอดขอึ้นทาอีกนะมันมันไปเกี่ยวพันกันกันกนกบตรงนั้นด้วยต่างกันแต่ว่าไอ้อุปนิสยาปัจจัยเนี่ยมันแสงอยู่ในจิตทุกดวงเลยแต่ว่าอาเสวนะปัจจัยนั้นต้องอยู่ตรงชาวนาต้องอยู่ตรงประตูจิตนี่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่ากุศลก็หมายว่าเมื่อใดเราเสรอารมณ์ใดๆ ด้วยจิตที่เป็นกุศลชาวนะแล้วขณะนั้นเรากำลังสร้างอำนาจของการเสดในเรื่องราวที่เป็นโอชาอุปนิสัยก็อุปนิสัยทางดีแล ะ, ะในแง่ค่าของกรรมก็เป็นกุศ ล, ลกรรมที่เราสร้างเราเสดขึ้นเพราะนั้นความเป็นบุญเป็นกุศลในคติทางศาสนาเนี่ยตัวจุดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเจ้ากีเจ้การนี่นะครับมันก็อยู่ตรงชาวนะเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกเนี่ยบางทีมันใช้เป็นเครื่องวัดค่าไม่ได้ดูข้างนอกดูว่าน่าจะได้บุญเยอะแต่พอพิเคราะห์ข้างในแล้วลมตอนนี้อากุศลชาวนะอันนี้หมายถึงว่าชาวนะที่เป็นกุศเป็นอากุศลก็ให้อุบานิสัยเหลวและเป็นที่เกิดบาปกรรมปรากฏตรงชาวนะนี้ แล้วก็เป็นปัจจัยหนุนเนื่องกันโดยความเป็นอาเสวนาะปัจจัยต่อต่อกันในระหว่างชาวนะต่อไปกิริยาชาวนะกิริยาชาวนะจิตแล้วก็รวมเทสสีด้วยนะนี่หมายถึงกรณีของพระอระหันต์พระอระหันต์ในเวลาท่านเสพอารมณ์ถามว่ า, าพร ะ, ระหลานเห็นลูกเสพอารมณ์ท่านก็มี อาเสวนปัจจัยแต่อาเสวนาปัจปจัยของพระอาหารหันน์ถามว่ามีกรรมไหมไม่มีกรรมถามว่ามีอุปนิสัยบอกมีอุปนิสัยในเงื่อนไขที่ที่เป็นกิริยาไม่บาปน ะ, ะไม่ไม่เลวอย่างเช่นว่าพระอาหารหันเรียนธรรมมากไหมเรียนพระอาหารหันแสดงธรรมไหมแสดงแสดงครั้งแรกแสดงครั้งหลังเหมือนไหมไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะนั้นพระอาหารหันก็มีในเงื่อนไขของพระอาหารหัน เรียกว่าเป็นกิริยาชาวนะที่เป็นอาเสวนะปัจจัยแก่กิริยาชาวนะด้วยกันการนี้ไปถึงปัจจัยที่สามกรรมปัจจัยกรรมะปัจจัยต ร, รงกับที่เราเข้าใจอยู่โดยทั่วไปครับว่ากรร ม, มปัจจัยปัจจัยคือกรรมกรรมเป็นปัจจัยหรือกรรมที่เป็นปัจจัยทำที่มีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะกรรมตรงนี้องค์ธรรม คืออะไรท่านก็พูดอย่างที่พระสูตรพูดและเราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่ากรรมคือเจตนาเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้พูดถึงพลังของเจตนาอำนาจของเจตนาแล้วก็ถ้าถามว่าเจตนาคืออะไรเราก็ตอบกันได้ว่าเจตนาคือความจงใจความจงใจที่จะกระทาที่จะคิด แต่ถ้าพูดอย่างภาษาทภาวาคือจงใจในอารมณ์จงใจในอารมณ์จงใจว่าจะให้อารมณ์เป็นอย่างไรตัวต้องการจะกระทําอย่างไรต่ออารมณ์จงใจในอารมณ์อย่างนี้ทีนี้ไอความจงใจความตั้งใจที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมดาเราไม่เห็นมันจะมีอะไรพิเศษพิโสอะไรจงใจจงใจจงใจเจตนาเจตนาเ ช, นาช่นเราคิดว่า เออ่เราตื่ขึ้นมามีเจตนาว่ า, ข อ, นนอาขอให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นขอให้คนนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่มันไม่มีอะไรนะไม่มีใครรู้ไม่เห็นจะผิดไม่เห็นจะหน้าถือโทษโกงเคืองอะไรแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยว่าจิตเราเนี่ยมันมีพลังมีพลังในาหลายรูปแบบและพลังของความตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่เจตนาตัวเดียว แต่เมื่อเกิดความตั้งใจแล้วไอ้จิตและเจตสิกทั้งดวงทั้งกระบวนการเนี่ยมันจะตามหลังประนั้นตัวเจตนาท่านถือว่าเป็นตัวจัดแจงเป็นตัวจัดการพูดว่าเป็นตัวกระทานั่นแหละครับทำให้จิตเจตสิกทั้งหลายนั้นมีความ คิดที่จะกระทําต่ออารมณ์ทาความประสงค์ของเจตนานั้นให้ประสบ ค, ความสำเร็จเชีนว่าเมื่อมีเจตนาจะทําให้เขาตายสมาธิก็นิ่งนิ่งคิดว่าทํอยังไงก็ถึงจะตายให้สมเจตนาตัววิริยะก็พยายามเป็นประโยชคว่าจะทําอย่างไรนะ คือแสดงความพยายามแสดงพลังเพื่อจะทําให้คนอื่นก็ตาย mm. ก็ทุกดวงก็เป็นอย่างนี้ไอแต่ตัวจิตก็จับภาพนึกถึงแต่คนนั้นนึกถึงคนนั้นในขณะที่คิดให้กระตายา น, นะพลังของเจตนาท่านจึงแสดงว่าเป็นสองอย่างอย่างที่ใครที่ฟังธรรมมาที่นี่มาก็จะเอ่ยชื่อถึงบ่อยๆนะฮะอ่าหนนี้นะ่ะเราก็มาสู่หลักแหล่งของที่มาของชื่อนี้แล้วครับ คือเจตนาคือกรรมที่สำแดงพลังในลักษณะเวรกรรมภาษาของท่านท่านใช้คําว่าเป็นเป็นพืชพันธ์นะนักคณิกากมานเป็นพืชพันธุ์เป็นพืชพันธนะุ์เป็นเผ่าพันธุเนน์เหมือนว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทของกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ นะะเนี่ยจะเรียกสํานวนว่าเป็นเผ่าพันธุ์ก็ได้เป็นพืชพันธุ์ก็ได้เป็นพายาดก็ได้ที่เราทําอะไรไว้แล้วเนี่ยจ ะ, ะเกิดพลังควบคุมตัวเราหาโอกาสที่จะทําให้เรานต้องไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในลักษณะประหลดัดประหลาดอะครับมันยิ่งกว่าเครื่องรังของขลังความขลังความศักศดิ์สิทธิ์ดิและพลังที่แฝงเล่นอย่างเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหล้กนะ แต่ท่านก็บอกว่ามันตามเนื่องการสืบสันดานนามลูกของเราแม้ว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่ร่างกายเฉยๆกรรมตามถูกไหมเป็นอัจัญญยสัตตพผมห้าร้อยชาติน่ากรรมน่าจะลืมใช่ไหมกรรมไม่ลืมครับพอมาเกิดใหม่มันก็ส่งผลมา ไอ้ตรงนี้นะมีคนถามอี้มันจะอธิบายได้บ่างผม ก, ก็ก็เคยยกตัวอย่างที่ผมก็เก็นึกว่ามันก็เหมือนอเครื่องรางของขลังอะไรนะคนเสกหลงปุ่โตะมอนนาไปกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ที่นั่งนี้มีใครเคยเห็นหลวงปู่โตมัเกิดทันไหมไม่มีใครเกิดทันแต่ทําไมพระเครื่องของหลวงปู่โตถึงยังยังขลังอยู่แต่ไม่ใช่ขลังโดยไม่มีเงื่อนไขนะขลังได้มีเงื่อนไขครับไม่องั้นเราไม่อ่านเจอข่าวมันเร็วๆนี้แหละว่า เพระเครื่องสมเด็จรุ่นที่หนึ่งโดนโจรขโมยร้อมโดยพระอันดับรองรองอื่นรวมแล้วประมาณสักสามสิบองค์แต่เสด็จสมเด็จรุ่นที่หนึ่งมากที่สุดก็ยังชมเชยว่าเขายังไม่ทิ้งศรัทธาทีเดียวไม่ทิ้งศรัทธาไม่ต่อว่าพระนะแม้แต่ตัวท่านเองยัง คุ้มกันขโมยไม่ได้เดี๋ยวท่านกะเตียยบอกบุญขโมยมันมีบุญที่จะได้ชันปมนเจ้าของทางหากล่ะแกมันหมดบุญแล้วก็พระทุกองที่ทา่านข้างหลังวก็จะบอกว่ามันมีเงื่อนไขเพราะว่าพระเครื่องก็เป็นพลังรูปปัจจัยหนึ่งเท่า น, นั้นเองถ้ามีพลังปัจจัยที่มันกลงกันข้ามที่แรงกว่าเนี่ยพระเองก็แพ้ปัจจัยนั้น พลังปลาก็แปลปัจจัยนั้นอทีนี้ถ้าถามว่ า, า่พลังในพระเครื่องในอยู่ตรงไหนเราก็จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปส่องก็ไม่เห็นใช่ไหมนะไปส่องดูไม่เห็นก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่ า, าความขลังศักดิ์สิทธิ์และอยู่อยู่อย่างนั้นแหละพอไปมีเหตุปัจจัยมาประท่าพลังก็ออก นั้นอาญญศันยีสัตว์ก็เหมือนกันเรานอนหลับกรรมก็ไม่หลุดกรรมก็อยู่อำนาจเนี่ยป็นเรื่องแปลกมากซึราะฉว่าเราเนี่ยเราเป็นเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับแล้วก็การปลุกเสกในแง่ของกรรมเนี่ยใครมาปลุกให้เราก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีพระเครื่องรุ่นใด ของใครที่ไหนที่จะมีพลังอายุอยู่ยั่งยืนแปดหมื่นสี่ันกับยังอาศายอยู่ได้นะไม่จืดไม่หายไม่ละลายนี่พลังอันนี้สูงมากสูงกวุปนิสัยนะเหนือความจำเหนือความต้องการไม่ต้องการเหนืออะไรทั้งสิ้นเลยใครมีกรรมสำเร็จแล้วจะมา ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถจะป้องกันแก้ไขได้เันกรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสำเนียกน่าสังวรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นกระแสนี้ท่านถึงพูดแต่เนืเอ่องจากมันเป็นเรื่องลึกลับเราก็ไม่ชัดเจนไม่เหมือนเรื่องดื่นอนะกรณีว่า อ, อำนาจของกรรมในแง่ที่มันเป็นพืชพันธุ์ที่ไม่สูญเสียไปได้โดยง่ายอายุเรียกว่าเหมือนจะไม่จำกัดนี่นะท่านจึงเรียกว่านานคณิกามาจากคำว่านานาขณะกรรมที่เป็นสิ่งหรือผู้ดยียางาพลังของเจตนา ที่สามารถจะให้ผลต่างขนาดกัะตัวหมายความว่าขนาททำกรรมเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วความรู้สึกนึกคิดก็ดับไปแล้วเจตนา่าอย่างไรบางทีก็นิสัยเปลี่ยนไปแล้วด้วยอย่างมีเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเคยโหดร้ายพฤต ธ, ธิกรรมนั้นเลิกแล้วก็จริงเมื่อทีนิสัยยังอยู่แต่นี่นิสัยกลายมาเป็นคนแผลมตาแต่ถามว่ากรรมยอมไหมไม่ยอมกรรมก็ไม่ยอมโอสิ กรรมยังอยู่ะอนนั้นก็เลยในลายที่คนเปลี่ยนนิสัยทันแล้วกรรมยังไม่ได้ชดใช้เนี่ยนะก็เลยกลายเป็นคนคนมีเมตตาสูงแต่มีเคราะกรรมเยอะมีเมตตาแต่เพราะเหมือนเลยบอกว่าเพราะให้มีเมตตานั่นแหละก็เลยโดนเขาโขกเอาสาบเอามีไหมมีสมัยก่อนก็มีไอ้ตรงเนี้ครับเลยทำให้ ให้คนเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจในธรรมะนะถ้าไปเจอลายที่มันพอดีพอดีกันก็ขยิงชั่วนหน่อยหรือถ้าไปเจอลายที่เออไอเมื่อก่อนนี่นิสัยดีตอนที่เขาทํากรรมไว้เนี่ยโปรก ร, รมดีนั่นมาให้ผลทํำให้เขาร่ํารวยมีสุขมีชื่อเสียงมีอนานาจหน้าที่แต่นิสัยเขาเวลวเราก็ ไม่เคยแน่ใจทำไมว่าเอ๊ะทำไมคนยิ้มได้ดีได้อย่างไรมันโกงเราทั้งชีวิตอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ดีและอันนี้มันเป็นเรื่องท้าทายภูมิปัญญาในชีวิตของคนไงและนี่มันก็คือไอ้ไอ้เงื่อนงํำที่แสดงถึงความลึกซึ้งของผู้ที่เข้าถึงกลไกของชีวิตที่มองออกแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับ ไอ้ไอ้ภาพรูปโฉมภายนอกที่มันถูกตบตาแปลเปลี่ยนที่ตบตาชาวโลกทั่วไปบางพวกได้แต่ว่าตบตาท่านเหล่านี้ไม่ได้นี่คือหน้านักคณิ ก, กากรรมปัจจัยอำนาจเจตนาที่เป็นพืชพันธุ์จึงว่าคนเนี่ยคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคิดอย่างไรไอ้คาว่าคิดไม่ใช่แค่คิดทำมันก็เกี่ยวกับทำด้วย มโนทวารก็คิด่าทางกายล่วงมาทางกายทางวาจาก็เป็นการกระทําที่เห็นได้สิ่งเหล่านี้คือการบอกตัวเองขีดเส้นทางให้กับตัวเองคิดอย่างไงเนี่ยได้ยังไแล้วก็เลยทำให้เรากลัวความคิดของเราเองจริงไม่จริงบางทีเรานะแม่อยากจะแช่งมันนาทีเพราะมันนึกถึงวันนี้แหละแช่งไม่ลง แข้งไม่ลงเลยต้องฝืนฝืนวอวยพรไปก่อนบางทีก็ทําได้ไม่ต้องฝืนบางทีก็ฝืนเพราะรู้มันเข้าตัวนะมันเข้าตัวบางทีรั่วนี่ลองแช่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไอ้มันเป็นมันเป็นผลในรูปอื่นในระยะแรกแต่ระยะยาวนี่มันเข้าตัวครัเราถึงต้องแยกแยะให้ดีแล้วก็วางหาจุดวางความคิดให้ดี เลยไม่กล้าแช่งใครเพราะแช่งคนอื่นคือแช่งตัวเองโวยพรกันอื่นคือวยพรตัวอกตัวเองเราคิดคิดอย่างนี้แล้วก็คิดอย่างมั่นใจด้วยอย่าไปเห็นอะไรแกี่ยวกบเรื่องอย่างพรานานี่คือเจตนาของเราเองทีนี้อีกอันหนึ่งคือสหาชาตกรกมเจตนานี่ท่านยกไวในฐานะพี่เป็นกรรมเพราะเป็นตัวกระทาเป็นตัวจัดแจง ทั้งหลักในกรณีที่สองเนี่ยเป็นปัจจัยในข้อที่ว่าจัดแจงเจตสิกในขณะนั้นให้ทําอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็จัดแจงพฤติกรรมตรงนี้เขาเรียกว่าสังวิธานกิจคือทํากิจจัดแจงพฤติกรรมทางกายวาจาใจให้สาเร็จในขั้นพฤติกรรมเท่านั้น คำว่าสำเร็จในขั้นพฤติกรรมท่านั้นก็คือว่าเช่นเรามีเจตนาความตั้งใจจะพูดจึงพูดได้มีเจตนาจะเหลียวซ้ายแหลวขวาจึงเหลียวซ้ายแหลวขวาได้ตรงนี้เขาเรียกศาสตรากรรมแค่นี้เท่านั้นนะฮะทีนี้ศาสตรากรรมเนี่ยพอทําอย่างงู้อย่างนี้ได้มันมี้พลังซ้อนขึ้นมาอีก ไอ้พลังซ้อนคือนานั ก, กนิกางไงนานักนิกาคือพลังที่เป็นพลังในระยะยาวก็เลยเป็นอันว่าเจตนานะ่ะมีพลังอยู่สองชั้นพลังชั้นแรกคือทําให้พฤ ต, ติกรรมสําเร็จพลังชั้นที่สองคือทําให้อ่าเกิดผลดีผลลายแก่ชีวิตในภายภาคหน้าเป็นกฎของเวกรกัน ที่ตรงนี้แหละครับที่เวลาเราพูดกรรมเรื่องที่เราก็พูดยื้อกันคือถ้าจะอธิบายทำมากกันแบบให้เห็นชัดเราก็บอกกรรมคือการกระทาคือนี่ก็พูดยื้อเข้ามาทางนี้แล้วก็พยายามอธิบายมันเห็นเห็นเฉพาะหน้าเพราะว่าไอ้กรรมไปพูดถึงไอ้าำเวลาข้ามพบข้ามชาติลึกลับซับซ้อนกนเข้าใจยากสําหรับคนสมัยใหม่ ก็เลยพยายามอธิบายทำดีคือทำดีได้ดีคือไงก็ได้ความสบายใจแล้วพอยอมว่าเอ๊ะทำแล้วไม่สบายใจก็มีไปเลยทำชั่วแล้วสบายใจก็มีทำดีแล้วก็ไม่สบายใจก็มีใช่ไม่ใช่มีเยอะแยะไปบ่อยๆไปแล้วแล้วทำดีสบายใจได้ไงอ่านี้ก็บอกว่าเอา้าก็คุณรออีกหน่อยพี่ก็สบายใจเอาอย่างนั้นก็สบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเลยดี ทำดีก็ได้ดีบ้างได้ชั่วบ้างทีทำชั่วก็ได้ดีบ้างได้ไม่ดีบ้างทีเอาก็เลยเอาแน่ไม่ได้พี่นะซึ่งตรงนี้ท่านแยกขาดว่าอย่าไปอธิบายในรูปของสหาหชาติคือทำเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นกดแห่งกรรมที่ทำเดี๋วนั้นได้เดี๋ยวนั้นไม่มี ไอ้ที่เราทำอะไรเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาปุ๊บเนี่ยมันมีไอ้เงื่อนไขของกรรมบางอย่างอยู่บ้างแต่น้อยมากไม่พูดถึงในนี้แต่ว่าโดยทั่วไปเลยเนี่ยมันคือกรรมที่มันมันจ้อง่าให้ผลแล้วมาให้ผลให้เจ้ว่าเราทำชั่วก็มีเราทำดีก็มีเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีนอนหลับก็มีมันมีตลอดเวลา อันเรื่องนี้ก็เป็นคนละส่วนคนละกระแสคนละคดีกรรมกันก็เป็นอันว่าไอ้นานักคณิ ก, กรรมเนี่ยอาศัยผสมลงเกิดกับสหาชาติตกรรมนะแต่ว่าสหาชาติกรรมเนี่ยที่เป็นแต่สหาชาติกรรมล้วนๆก็เป็นเฉพาะกรณีของพระอรหันต์เท่านั้นถึงเรื่อ ก, กิริยาไง แปล ว, ว่าพระหลานเนี่ยทำอะไรแล้วเจตนาของท่านเป็นแต่สาชาตรรมทำให้การแสดงออกสำเร็จเท่านั้นแต่ไม่มีเยื่อใหญ่อะไรเหลือในทางาความดีความชั่วอีกต่อไปและในนี้ก็บอกว่าไอ้วิบากของกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยสาชาตรรมเองก็จัดแจงทั้งจิตจัดแจงทั้งรูปและพอมาเป็นพลังได้ทางนานักนิกกรรมก็ ให้ผลทั้งทางจิตและทางรูปทางรูปนั้นเรียกว่ากรรมมัจรูปอรูปร่างหน้าตาและทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นจากกรรมเป็นตัวหลักตัวอื่นก็เป็นตัวเสริมบ้าง อ, าอาบทอธิบายทอนนี้มันเยอะนะพูดถึงแม้จะพูดเรื่องกรรมเรื่องอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้จักหมดซะสิ ก็บางทีก็พูดเป็นเราๆไว้วางดักไปดักมาเรียนดักไปดักมาเอาตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนมาถึงปัจจัยที่ชื่อว่าวิบากปัจจัยคำว่าวิบากปัจจัยเนี่ยหมายถึงวิบากของกรรมหรือ้วิบากในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านแบ่งเป็นวิบากจิตวิบากรูปวิบากนามสงสัยจะต้องมาอธิบายกันอีกอีกทีนะ ปัจจัยที่เหลือเนี่ยจะมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่พูดได้รวมรวมกันไปได้เพราะว่าปัจจัยบางอย่างลักษณะพลังคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแต่ว่าต่างหมวดธรรมกันอย่างเช่นอมรคปัจจัยเนี่ยเป็นพลังทางมรชานะปัจจัยเป็นพลังทางชาณอินทรีย์ปัจจัยเป็นพลังทางอินทรีย์นะแล้วก็ปัจจัยหลังๆเนี่ยเกือบจะไม่ต้องพูดถึงเลยก็มคงจะพูดอธิบายข่าวหน้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็บางทีทาทีจะต้องแถมไม่ก็สองครั้งแถมว่า <c oughs> คือจะมีบางประเด็นที่ควรจะต้องพูดแล้วก็ถ้ามีเวลาบางทีจะอธิบายเรื่องเรื่องปัจจัยพิสดารสักสักขนหนึ่งนะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าในตำราก็าพูดถึงอย่างอารามณะปัจจัยเนี่ยนะ ว่าองค์ตำแล้วก็วิธีการแบ่งแยกกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอะไรต่างๆไกวกันไปคูกันมาได้อย่างไรจะได้เห็นเป็นตัวอย่างโดยพิจารณาเป็นแนวเพื่อค้นคว้าหรือเพื่อเรียนต่อไปอวันนี้เราจะยุติเท่านี้นะครับ